บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปจำเพาะเรื่องบันทึกที่หนึ่งอิทธิปาฏิหาริย์ในคำผีหมายเหตุผู้อา่านสำหรับที่มาโดยละเอียดนั้นในหนังสืออ้างอิงไว้ครบแต่ในที่นี้เพื่อความกระชับในการฟังขออ่านเฉพาะลำดับเล่มของพระไตปิฎกนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่ต้นบทลงมานั้นการแสดงเนื้อหาแต่ละหัวข้อนั้น ท่านจะมีการอ้างอิงพระไตรปิฎกไว้จำนวนมากในเวอร์ชันเสียงอ่านของชมรมผลดีนั้นจะอ่านหมายเหตุทั้งหมดที่ท่านแทรกไว้จำนวนมากด้านลางด้วยแต่จะอ่านที่มาเฉพาะที่สำคัญเท่านั้นเพื่อให้การฟังไม่สะดุดท่านที่สนใจค้นคว้าเพิ่มเติมและต้องการทราบที่มาโดยละเอียดขอให้ดูจากหนังสือโดยตรงหรือจากกุทธธรรมออนไลน์ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักของทางวัดนะครับ การแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าเท่าที่พบในพระไตรปิฎกคือทรรมานหูนาชดินชื่ออุรุเวลกัสปะจากวินัยปิฎกเล่มสี่รรมานมาจากธรรมะแปลว่าฝึกคือทำให้หมดทิฏฐิมานะอันไม่ยอมรับถือปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ทำให้เจ็บปวด ธรมาลภักกะพรมจากเล่มสิบสองธรรมานพรมอีกองค์หนึ่งในเล่มสิบห้าแก้ความเห็นของสุนัขัดและแก้คำทาของอเจละกะคือนักบวชชีเปลือยชื่อปาติกบุตรในเล่มสิบเอ็ดธรรมานโจรองคุลีมานในเล่มสิบสามทำให้พระภิกษุพวกหนึ่งประวันใจแล้วมาเฝ้าเพื่อพระองค์จะตรัสสอน ในเล่มส7บเจ็ดทำให้จำพาอบางคนเห็นมหาบุรุษลักษณะในที่เร้นลับจากเล่มที่เก้าเล่มสิบสามและเล่มยี่สิบห้าแผ่เมตตาให้ช้างร้ายนาลาคิรีมีอาการเชื่องจากเล่มที่เจ็ดซึ่งในที่นี้ไม่ใช่อีที่ปฏิหารโดยตรงประจนอาละวายักษ์ จากเล่มสิบห้าและเล่ม25ห้าแต่ไม่ใช่การแสดงริษโดยตรงเรื่องที่มาในอัตถกถาเช่นยมกปาฏิหารแก้คำท้าของพวกเดียรถีซึ่งยางยิงบาลีจากเล่มส1เอดและเล่มเจ็ดส่งนำพระภิกษุใหม่ห้าร้อยรูป เที่ยวชมธรรมชาติในป่าหิมพานแก้ความคิดถึงคู่รักคู่ครองเป็นต้นการแสดงอิทิปาติหารของพระสาวกที่พบในบาลีคือประปินโทลาภารัธวาชะแก้คำท้าเ อ, อ่หขึ้นไปเอาบาดบนยอดไผ่ต้นบัญญัติไม่ให้ภิกษุแสดงอิทิปาติหารแก่ชาวบ้าน จากวิไงปิดกเล่มเจ็ดพระมหาโมคลานะปราบมานจากเล่มสิบสองพระปิลินทวัชชานำบุตรของอุปถากกลับคืนจากโจรจากเล่มหนึ่งพระปิลินทวัชชอธิษฐานวางพระเจ้าพิมพิสาลเป็นทองเพื่อช่วยแก้ชาวบ้านจากข้อหาจุรกรรมจากเล่มสอง รับภพมลบุตรใช้นิ้วเป็นประทีปสองทางนำพระภิกษุทั้งหลายไปยังเสนาสนะต่า ง, งจากเล่มหนึ่งระสาคตใช้ริดให้ชาวบ้านเห็นทำให้ต้องแสดงริดให้ชาวบ้านดูต่อพระพักเพื่อให้ชาวบ้านใจสงบพร้อมที่จะฟังธรรมจากเล่มห้าพระสาคตปราบหน้าของฉดิน ตนบัญญัติอามภิกษุดื่มสุราจากเล่มสองพระเทวทัตทําให้เจ้าชายอาชาตศัตรูเลื่อมใสจากเล่มเจ็ดพระสารีบุตรและพระมหามมคลานากลับใจหมู่ภิกษุสิทธิ์พระเทวทัตโดยอนุสาสนีปาฏิหารที่ควบด้วยอิทิปาฏิหารและอาเทศนาปาฏิหารจากเล่มเจ็ด พระมาหากะบรรดาที่มีลมเย็นแดดอ่อนและฝนช่วยพระเทระที่กำลังเดินยามร้อนจัดจิตตาก็รหบดีเห็นจึงขอให้ทำริษให้ดูและท่านได้บรรดาให้เกิดไฟจากเล่มสิบปดพระมาหาโมคลานะบรรดาใิเวชยันตประสาทสั่นสะเทือนเพื่อเตือนสำนึกให้พระอินไม่มัวเมาประมาทจากเล่มสิบสอง พระมหาโมคลาณนะบันดาลให้มีขาวระมาตุปราศาสตสันสะเทือนเพื่อเตือนสำนึกของพวกภิกษุผู้จัดจ้านฟุ้งเฟอ้อจากเล่มสิบเก้าพระอาภิภูสาวกของพระสิกขีพุทธเจ้าแสดงธรรมโดยไม่ให้คนเห็นตัวให้เสียงได้ยินไปได้ผ่านโลกธาตุจากเล่มสิบห้า ส่วนเรื่องที่เล่าในอัธกถามีมากมายเช่นพระจุลปันธกะบรรดา้เห็นตัวท่านเป็นพันองค์พระมหาโมคลานะทรมานันโทปนันทะนาคราชพระปุณณนะช่วยพ่อค้าชาวเรือจากการทำร้ายของอามนุษย์ซึ่งเป็นการเพิ่มความจากปุณโนวาทสูตรและมีเรื่องพระพุทธเจ้าสเสด็จสุนาปารันตาชนบท เป็นที่มาของพระพุทธบาทสองแห่งสา ม, มนเณรสังกิจจักช่วยภิกษุส0สิบรูปโดยอาศาัยโจรจับตัวไปบูชายันแทนและกลับใจโจรได้หมดสุมาณะสา ม, มนเณรปราพยานาคพระสุนทรสมุตเหาหนีหญิงนางลม เรื่องริดของคนอื่นๆมีมาในบาลีบ้างบางแห่งเช่นพรมสัมาธิฏฐิทรรมานพร ม, มิชาทิฐิจากเล่มส5บห้าฤาษีชื่อโรหิตตัสสะมีริดเผืนเวหาด้วยความเร็วดังว่าย่างเท้าเดียวก็ข้ามมาหาสมุทรไปแล้วออกไปตลอดร้อยปีไม่หยุดเลยก็ไม่ถึงที่สุดโลกตายเสียก่อน จากเล่ม15ห้าและเล่ม21พระอินทร์แปลงเป็นช่างหูกมาถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปะจากเล่ม25สหส่วนในอัธกถามีเรื่องมากมายโดยมากเป็นการกระทำของเทวดายักษ์วิทยาธรฤศีดาบดต่างๆผู้ที่มีบทบาทมากท่านหนึ่งคือพระอินทร์ ซึ่งมักแปลงกายบ้างไม่แปลงกายบ้างลงมาช่วยคนดีบ้างตรสอบความดีของคนดีบ้างดังเช่นแปลงเป็นหนูมากัดเชือกรัดคันปลอมของนางจินชมานวิกาและพบได้ทั่วทั่วไปในอัฏฐกถาชาดกนอกจากนั้นมีกล่าวถึงเป็นกลางๆงมีใช่เป็นเหตุการณ์เฉพาะครั้งเฉพาะคราวเช่น เป็นเหตุหนึ่งของแผ่นดินไหวจากเล่มที่สิบแสดงความสำคัญของมโนกรรมจากเล่มสิบสาเหตุให้อธิษฐานต้นไม้เป็นดินก็ได้เป็นน้ำก็ได้เป็นต้นจากเล่มย2สิบสองกล่าวถึงคนที่เป็นโลกาทิปไตเร่งปฏิบัติธรรมเพราะกลัวว่าสมณพราหมณ์และเทวดาผู้มีฤทธิ์จะล่วงรู้จิตของตน จากเล่มที่20